ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องรักเขาคือรักเราโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่26ตุลาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ พอดีวันนี้เอาแบกแบกพระไตรปิฎกมาจะให้ฟังเรื่องเรื่องหนึ่งจริงๆอาจะมาเคยเอามาพูดให้ฟังไปนานแล้วล่ะแต่วันนี้มาพูดใหม่ให้พวกเราฟังกันอีกเขาบอกฟังซ้ำๆจะได้จำแม่นๆเพราะเท่าที่สังเกตมา พวกเราเนี่ยนะมาฟังจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยจำบางทีมาถามใหม่ว่าขนาดไม่ใช่ไม่ใช่หลายวันเลยนะบางที่สอนวันนี้ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้สอนนะพรุ่งนี้ถามใหม่เนี่ยจําไม่ได้แล้วอจริงๆอย่างน้อยก็น่าจะช่วยช่วยจำไปบ้างพูดอย่างยิ้นึกถึงพ่อท่านเน่ะ สมัยก่อนเนี่ยพอท่านจะชอบถามใช่ไหมบางทีพอท่านเทศถึงตรงไหนปั๊บบางทีอ่าท่านเกิดดึกไม่ออกอะ่ะหรือว่าบางทีมันเ อ, อะไรนะอะไรนะเนี่ยจะมองมาแล้วมองมาที่สมณะมองมาที่อะไรด้วยนะบางกฏว่าบางทีมองมาเงียบ <c oughs> ไม่มีสมณะไหน <c oughs> ช่วยได้เลย <c oughs> แต่ถ้าท่านเป็นท่านอาจารย์สองท่าน สันดิโยอยู่โอ้โหจำแม่นอาจารย์สองนี่จำแม่นอาตมานี่ยอมยอมแพ้เลยนะอวันนี้เราลองมาฟังเรื่องเศรกฐกูตรนะเดี๋ยวฟังดูนะเรื่องอะไรเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่758อห้า่ะลองฟังดูสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, ะนิคมของชาวสุมภะชื่อเศรษฐกัสนิคมเนี่ยนะชื่อว่าเศรกะในสุมาพระชนบทณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วคนจันทานผู้เป็นนักไต่ราว คนจันทานรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมคนจันทานหมายถึงอะไรฮะอะไรนะคนชั้นต่ำคนไม่ดีคนชั้นต่ำเนี่ยถูกเป็นภาษาเรียกนะแต่คำว่าคนไม่ดีอันนี้ยังไม่ถูก คนจันทานไม่ได้หมายถึงคนไม่ดีคนจันทานหมายถึงคนที่ต่างวันณะกันและเขามาแต่งงานกันถ้ามีลูกออกมาเนี่ยนะเขาเรียกว่าจันทานเนี่ ย, ยลูกที่ออกมาเนี่เรียกว่าจันทานไม่ไม่ไม่ใช่สองคนที่แต่งกันนะสมมุติว่าในอินเดียเนี่ยเขาจะมีกษัตริย์นะวันณะกษัตริย์สมมติเกิดมาแต่งกับวันณะพราหมณ์ อย่างเงี้ยเ้าเรียกว่าต่างวันนะะพอมาแต่งงานกันเสร็จออกลูกมาจะผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามลูกนั่นแหละเรียกว่าจันทานต่อให้เป็นคนดีด้วยนะอาจจะนิสัยดีอาจจะอะไรเลยนะไม่ไม่ได้ปิดศีลธรรมไม่อะไรถือศีลปฏิบัติธรรมแต่เมื่อเป็นลูกของคนที่มาแต่งงานกันโดยต่างวันนากัน<ม>เขาเรียกว่าจันทาน มันบางที่บางแห่งเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกต้องห้ามเพราะนั้นในสังคมอินเดียเขาจะรังเกียจเลยกลายเป็นถือว่าคนที่เป็นลูกของคนที่ต่างวรรณะกันเนี่ยแต่งงานกันแล้วเป็นจันทานเขาถือว่าเป็นวรรณะที่ต่ำที่สุดกลายเป็นเลวที่สุดเลยนะกลายเป็นแย่ที่สุดหมายถึงด้านวรรณะนะด้านวรรณะนี่มันจะใช้ว่าอะไรชั้นเนี่ยชนชั้นเน่ย เอด้านชนชั้นเนี่ยถือว่าต่ําที่สุดแย่ yeah, ที่สุดวันพวกนี้จะโดนดูถูกดูหมิน่นโดนเหยียดหยามอย่างหนักเลยจนกระทั่งพวกนี้เนี่ยอยู่กับใครก็ไม่ได้เลยจนในที่สุดบางทีเนี่ยก็ต้องไปอยู่รวมกันเองไปเป็นหมู่บ้านไปเป็นอตำบลอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ต้องไปรวมกันอยู่เพราะว่าไปที่อื่นเขาไม่ต้อนรับ นะเขาลังเกียดลังเกียดขนาดไหนรู้ไหมลังเกียดขนาดว่าถ้าเกิดมันมีลมพัดมาเนี่ยถ้าพวกจันทานไปอยู่เหนือลมเนี่ยนะโอ้โหไอพวกที่มีวันน้อื่นๆเนี่ยไม่ยอมเลยนะจะเกลียดชังจะเรียกว่าจะไล่จะเพิดเลยห้ามอยู่เหนือลมเพราะเดี๋ยวลมเนี่ยจะพัดเอากลิ่นของจันทานนี่มามาโดนคนวรรณ้นนอื่น โอ้โหเกลียดถึงขนาดนั้นแล้วคนจันทานเนี่ยไปนั่งที่ไหนเขาถือว่าเป็นเสนียดจันไรเขาต้องเอาน้ำนมนีน่มาล้างที่ตรงนั้นทิ้งเลยนะคิดดูเอาเพราะฉะนั้นโหเป็นการเหยียดผิวอ่ะเป็นการแบ่งชนชั้นอย่างรุนแรงอันนี้เสร็จแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านกต็ตรัสถึงว่าเนี่ยมีคนจันทานนะเป็นนักไต่ราวนักไต่ราวนี่ก็พวกเล่นอะไรอ่ะ เล่นกายกรรมอ่ะอเป็นนักไต่ราวยกไม้ไผ่ขึ้นตั้งไวอ๋อนี่นักไต่ราวนี่แสดงว่าอันนี้ไต่ไม้ไผ่มึงเนาะเพราะว่าบอกว่าเอาเอาไม้ไผ่นี่มาตั้งขึ้นนาลําไม้ไผ่เนี่ยแล้วเรียกสิทธิ์ชื่อเมทกะเมทกะธาลิกะนะแม้ชื่อลูกศิษย์เรียกยากจัง นะันเรียกลูกศิษย์มาบอกว่าดูก่อนเมทกะถาลิกะมาเถิดมาขึ้นไม้ไผ่ขึ้นลำไม้ไผ่เนี่ยแล้วยืนอยู่บนในนี้เขาเขียนว่าบนคอของเราอาตมาก็โอ้โหมันจะไปยืนยันยงไงยืนบนคอคิดว่ามันน่าจะเป็นบ่าหรือว่าเป็นอะไรมากกว่านะมันไม่น่าจะเป็นคออาตมาเอาบ่าดีกว่านะเนี่ยแล้วก็ยืนบนบ่าของเราแล้วนะลูกศิษย์ ลูกศิษย์ก็รับคำอาจารย์นะเสร็จแล้วก็เลยขึ้นลาวไม้ไผ่นะไต่ขึ้นลาวไม่ไผ่ไปยืนอยู่บนบ่าของอาจารย์อาตมาก็ยังดึกอภาพไม่ออกนะเอาไม้ไผ่ตั้งเสร็จแล้วก็ให้ลูกศิษย์ไต่ลาวแล้วก็ยืนบนบาเนี่ยอาตมาก็งง ง, งไม่รู้ว่าอาจารย์นี่จะยกลำไม้ไผ่หรือเปล่านะมาตั้งไว้บนบาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ แต่ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญแต่ให้เรารู้ว่าเนี่ยเป็นนักกายะกรรมก็แล้วกันใช่ไหมเสร็จแล้วพอพอทําอย่างนี้เสร็จครั้งนั้นแล้วคนจันทานนักไต่ราวผู้เป็นอาจารย์เนี่ยก็พูดกับลูกศิษย์ของตนว่าบอกว่าเนี่ยจงรักษาเราแล้วเราเนี่ยจะรักษาท่านสมมติเรียกลูกศิษย์พระท่านนี่แล้วกันนะบอกเนี่ยให้ให้ให้ลูกศิษย์เนี่ยรักษาอาจารย์นะ และอาจารย์เนี่ยจะรักษาลูกศิษย์ให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพูดง่ายว่าลูกศิษย์ไต่ลาวขึ้นไปแล้วนะบอกว่าเนี่ยท่านรักษาเราเราจะรักษาท่านเราทั้งสองต่างคุ้มครองกันและกันต่างรักษากันและกันอย่างนี้จะแสดงศิลปะจะได้ลาบและจะลงจากกราวไม้ไผ่ได้โดยสวัสดิภาพนะอันนี้เป็นคำของอาจารย์ที่บอกกับลูกศิษย์ อันนี้เมื่ออาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้วลูกศิษย์ก็ได้กล่าวตอบอาจารย์ว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ก็เรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นหาไม่ได้ลูกศิษย์ก็บอกว่าเอาอาจารย์ไม่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกนะท่านจงรักษาตนของท่านผมจะรักษาตัวของผมนะอันนี้ลูกศิษย์เราทั้งสองต่างคุ้มครองตน ต่างรักษาตรงอย่างนี้จะแสดงศิลปะจะได้ราบและจากลงจากไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีนีพุทธเจ้าท่านก็เล่ามาถึงตรงนี้แล้วท่านก็เลยบอกว่าเนี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหตุผลในข้อนั้นมีดังนี้นะก็บเหมือนลูกศิษย์เนี่ยได้บอกกับอาจารย์ยังไแล้วอาจารย์ก็บอกกับลูกศิษย์ระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า บอกว่าเนี่ยเรารักเราจะรักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาตนย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนคือพระเจ้านี่ท่านกำลังจะบอกบอกอย่างนี้ <c oughs> คืออาจารย์เนี่ยบอกลูกศิษย์ว่าให้ลูกศิษย์เนี่ย อ, อะไรนะคอยดูอาจารย์ไว้นะถ้าสมมติว่าอาจารย์สมมุติาอาจารย์ ไม่รู้หละอาจมาไม่รู้อาจารย์ทำอะไรอยู่นะแต่ให้อาจารย์เนี่ยคือคอยดูอาจารย์บ้าเอาสมมติว่าอาจารย์เอาไม้ไผ่สมมตินะตั้งอยู่บนบาเนี่ยก็จะต้องคอยดูอาจารย์ไว้ให้ดีๆนะแต่ส่วนลูกศิษย์เนี่ยใช่ไหมก็บอกอาจารย์ว่าไม่ต้องหรอกอาจารย์ดูตัวเองไว้เถอะทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะให้ดีส่วนลูกศิษย์ก็สมมติว่าอยู่บนลาวไม้ไผ่ ก็จะดูแลตัวเองให้ดีบอกเนี่ยต่างคนต่างดูแลตัวเองให้ดีอ่ะอันนั้นอาจจบอันนั้นอาจจะปลอดภัยแต่ถ้าให้ลูกศิษย์เนี่ยคอยระวังแทนอาจารย์นะแล้วอาจารย์ก็คอยดูลูกศรริษย์นะคอยระวังให้ลูกศรริษย์บอกอย่างนั้นนะมันอาจจะพลาดได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสนะท่านก็บอกว่าการที่เราจะดูแลใครหรือการที่เราจะดูแลตัวเอง นะถ้าเลยตัดมาอย่างนี้บอกว่าผู้ที่จะดูแลตนเนี่ยนะการที่เราจะดูแลตัวเราเนี่ยก็ควรทำอย่างนี้คือใครอยากจะอะไระป้องกันใครอยากจะรักษาตัวเองใครอยากจะดูแลตัวเองหรือใครอยากจะทำตัวเองให้ปลอดภัยวิธีการทําให้ตัวเองปลอดภัยก็คือนะคือการที่เราเนี่ยจะต้องคบหาคนอื่น นี่นะการจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องคบหาคนอื่นแล้วก็คบหาอย่างไงก็ต้องคบหาอย่างดีคบหาแบบมิตรดีพูดง่ายนะอันนี้อาตมาพูดโดยสำนวนอาตมาแล้วไปยังไงคบหาคนอื่นแล้วแล้วก็ต้องคบหามิตรดีแล้วแล้วก็ต้องไปมาหาสู่คือต้องคบหาบ่อยๆ ไม่ใช่พอเรามีเพื่อนดีเรามีมิตร ด, ดีแต่นานๆทีเจอกันอะไรอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ไม่ไหวไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าจะดูแลตัวเองเนี่ยให้ดแีแล้วจะต้องทำอย่างนี้คือคบหาคนอื่นแล้วก็มีมิตรที่ดีแล้วก็ต้องไปมาหาสู่บ่ยบอยๆนี่คือการดูแลตัวเองนะส่วนข้อนี้พระเจ้าท่านกะตัดถึง ถ้าใครเนี่ยอยากจะดูแลคนอื่นพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะดูแลคนอื่นหมายถึงว่าอยากให้คนอื่นปลอดภัยอ่ะพูดง่ายถ้าอยากให้คนอื่นปลอดภัยก็จะต้องทำอย่างนี้คือนะทำตัวเองเนี่ยให้มีความอดทน <c oughs> และคนอื่นจะปลอดภัยอ่าสองนะทำตัวเองเนี่ย โดยที่อย่าไปเบียดเบียนใครเขาเนี่ยทาตัวนะทําตัวของตัวเองถ้าทําตัวอย่างเนี้ยไม่ไปเบียดเบียนใครเขาคนอื่นจะปลอดภัยสาจะต้องทําจิตของตัวเองเนี่ยให้มีเมตตาจิตเนี่ยแล้วคนอื่นจะปลอดภัยนี่การการที่เราจะดูแลคนอื่นเนี่ยคือทาที่ตัวเองอสุดท้ายนี่ การที่จะอยากจะดูแลคนอื่นอยากจะให้คนอื่นปลอดภัยคือต้องมีความเอ็นดูคนอื่นสงสารคนอื่นเขานันี่นี่เป็นหัวข้อที่พระเจ้าเนี่ยท่านตรัสตรัสให้เห็นถึงการที่ใครเนี่ยอยากจะดูแลคนอื่นนะก็คือดูแลตัวเองให้ดีส่วนใครอยากจะดูแลตัวเองเนี่ยให้ดีก็คือ ต้องจริงๆรแล้วต้องไปดูแลคนอื่นให้ดีถ้าใครอยากจะดูดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยก็คือต้องไปคบคุณต้องไปทำดีๆกับคนอื่นเขานั่นแหละเป็นการดูแลตัวเองที่ดีเพราะนั้นทั้งสองอย่างเนี้ยมันต้องไปด้วยกันหรือถ้ามาพูดอย่างของเราพูดแบบง่ายงายเนี่ยนั่นก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน นะอันนี้คือคือคำที่เรามาใช้แบบง่ายๆแต่อันนี้มันมีรายละเอียดนะที่พระเจ้าท่านบอกนะตอนนี้เราลองมาพิจารณากันดูนะจากเรื่องเนี้ยเราจะได้แง่คิดตรงไหนถ้าโดยปกติคนเราแล้วเนี่ยเวลาโดยปกติคนเรานี่เป็นยังไงถ้าระหว่างคนอื่นกับตัวเราเป็นงไง เรารักตัวเองใช่ไหมส่วนใหญ่คนอื่นเนี่ยเราจะไม่สนใจอ่ะโดยกิเลส น, นะอันนี้โดยกิเลสเราจะมักจะไม่สนใจเพราะฉะนั้นถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยเขามักจะบอกว่าให้เราเสียสล ะ, ะให้เราหัดยอมให้เราหัดอะไรทำบุญทำทานหัดให้อภัยทานหัดอะไรหัดธรรมทานต่างๆเหเราเนี่ย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่อที่ให้เราเนี่ยหัดที่จะลดละกิเลสของตัวเราเองเนี่ยออกไปแล้วการที่ขณะที่เราลดกิเลสของเราออกไปเนี่ยเรากาลังทำยังไงละอย่างเช่นอย่างเนี้ยเราทำบุญทำทานเงี้ยเราเราลดกิเลสของเราใช่ไหมตัวอะไรตัวเอารัดเอาเปรียบตัวเห็นแก่ตัวตัวที่เราขี้หอบขี้หวงอ่า ว่าไอตอนที่เราสละกิเลสตัวเราออกเนี่ยเราก็สมว่าเป็นข้าวของอเป็นวัตถุทานก่อนอ่าคุณสมว่าคุณมีเสื้อผ้ามากเลยวันคุณกําลังลดกิเลสของตัวเองลงโดยการที่เอาเสื้อผ้าของเราให้คนอื่นเขา<笑><笑>กําลังมองเห็นภาพไหมไอประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยกําลังมองเห็นภาพไหมอ่าเนี่ยแหละแล้วมันจะตรงกับลักษณะที่ พระพุทธเจ้าท่านพยายามที่จะบอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันอยู่มันเนื่องกันอยู่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราเนี่ยรักตัวเราเราอยากจะให้เราดีกว่านี้อยากให้เราจะเรินกว่านี้นะเราไม่เป็นคนขี้โลภไม่ขี้หอบหวงอะไรเพราะนั้นหัดให้คนอื่นเขานั่นแหละและในขณะที่เขาที่เราให้คนอื่นนะบางทีไม่มีเงินทองไม่มีข้าวของแต่เราก็ ช่วยด้วยแรงอ่าบางทีแรงกายนะอ่าเข้าแบกเข้าสารกันอ่าเขาขนเข้าสารสมมติโกดังดือชีวิตหรือโกดังขอบคุณอะไรเงี้ยอ้าวไปช่วยกันแบกก็สอบข้าวในขณะที่เราช่วยคนอื่นท่านี้กำลังจะพูดบุ้มกับใช่ไหมเราช่วยคนอื่นเขาเนี่ยเรามีใจเมตตาเรามีใจเอ็นดูเออเพื่อนฝูงกัน นะหรือว่าได้ทาบุญกุศล เ, เราก็เลยช่วยนะเหมือนกับว่าคบหาคนอื่นเนะี่ยเห็นมเพราะเราช่วยเขาเดี๋ยวเขาก็มาช่วยเราอ่านี่คิดโดยง่ายๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าการที่เราช่วยคนอื่นอยู่นั่นแหละในที่สุดมุมสะท้อนที่มันจะกลับมาอา้าวเราช่วยใครเขาถ้าคิดโดยบุญโดยอ่ วิบากอะนะวิบากบุญเนี่ยเราช่วยใครเขาคนนั้นก็ต้องติดหนี้เราถูกไหมถ้าคิดโดยผลผลบุญนะอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นหนี้บุญบุญคุณเราแล้วเนี่ยวันวันหลังเขาต้องใช้คืนเราแน่เขาก็ต้องใช้คืนเรายิ่งถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยเขาจะหาโอกาสอยู่เรื่อยเลยมีโอกาสเมื่อไหร่เขากจ็จะรีบใช้คืนเพราะคนดีไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใคร ทดแทนหรือว่าตอบแทนได้จะรีบทําไม่อยากให้จะต้องอะไรเป็นหนี้ใครเขาไว้เยอะแยะเพราะไม่ได้ไม่น่ามีความสุขอะไรเลยถ้าจะไปเป็นหนี้ใครแม้แต่ห น, นี้บุญคุณก็ตามไอ้หนี้แคนไม่ต้องพูดถึงหนะนี้แคบ น, นี่ไม่ไม่เอานะหนี้แคบ น, นี่ไม่ใช่ อ, อันนี่ติดหนี้เรานะเมื่อวานดา่าเราวันนี้เดี๋ยวเขาด่ากลับ อ, อย่างนี้ไม่เอาไอ้ไอ้หนี้อย่างนี้ไม่ ไอ้อย่างนี้ที่ต้องอภัให้อภัยนะต้องสลัดสลัดคืนออกไปโดยที่ไม่ใช่ไปทำอย่างนั้นเนะพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาพยายามที่จะเอามุมนี้มาเพราะว่าหลายคนบางครั้งเนี่ยเราอยากให้คนช่วยเหลือเราการงานบ้างนะหรือบางทีเนี่ยเราอยากให้คนพูดดีๆกับเราบ้างเราอยากให้คนนั่งคนนี้ยิ้มให้เราบ้างแต่เราเองเนี่ยจือสนิท ช่วยคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยช่วยอเสร็จแล้วไงเจอใครเขาก็ไม่ค่อยได้ปฏิสันพานไม่ค่อยทักทายไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสกับใครอยใจเราเองเราอยากให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้กับเราแต่เราไม่ค่อยทําให้กับใครเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราจะรู้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะสอนไว้อย่างมากเลยว่าจริงๆเนี่ยทําให้คนอื่นเขาทําให้ก่อนเลย ส่วนเขาจะทำกลับไหมคราวนี้แล้วแต่นะอันนั้นเนี่ยเราจะไปหวังตายตัวอย่างนั้นไม่ได้แต่ให้รู้ว่าถ้าเรายิ้มให้ใครสมมุตินะถ้าพูดตามบุญตามกรรมอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเรายิ้มให้ใครเนี่ยมันก็เหมือนกับเราส่งกุศลจิตส่งเจตนาดีให้เขาแล้วส่งใบหน้าที่ยิ้มแย้มส่งความรู้สึกดีๆให้ แต่ถ้าเขาไม่รับหรือเขาปฏิเสธเขาทำหน้าตึงๆใส่หน้าหน้าเหมือนไม้กระดานเนี่ยแล้วก็ททำหน้าตึงๆใส่เราก็ตามอันนี้นี่เป็นวิบากกรรมเขาเองนะแล้วถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาไม่ทำดีกลับมาเขาติดหนี้เราอาจจะมาบอกแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาทุกข์ไม่ใช่พอเขาไม่ยิ้มคืนกลับมาให้เราปับ๊บทันทีเลยคิดยังไง คิดยังไงพูดยังไงไม่เคยคิดเลยพวกนี้เมืาเรายิ้มให้เนี่ยแล้วพอเขาไม่ยิ้มกลับมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทันทีเลยใช่ไหมความรู้สึกเนี่ยนะคุณอาจจะไม่พูดออกมาจากปากหรอกแต่ความรู้สึกคุณคิดแล้วเดี๋ยวเจออีกอรับรอง <c oughs> ไม่ยิ้มให้แน่นอนไม่ยิ้มให้แน่นอนนี่นี่คือความรู้สึกอย่างกิเลสของเราที่เรามีกิเลสอยู่ เราจับไม่ทันทั้งทั้งที่บอกกันนะจริงๆเนี่ยเราอยากจ ะ, ะดูแลคนอื่นเราอยากจะรักษาคนอื่นเราอยากจะให้คนอื่นเขาดีๆกับเราเนี่ยอ่าเพราะเราต้องดีให้เขาก่อนแล้วก็ดีไปอย่างเงี้ยทาดีไปทาดีไปทำดีไ ป, ไ ป, ไปจริงๆเนะ่พ่อท่านใช้คำว่าต้องมากพอมากพอที่จะหลอมจิตหลอมใจเขาทำให้เขาเนี่ยใจที่กระด้าง ใจที่มันแข็งกระด้างเนี่ยเออมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงจนในที่สุดยอมแพ้ความดีของเรายอมแพ้ใจที่ปรารถนาดีที่เป็นบุญที่เป็นกุศลของเราอนุสาสนาพุทธเนี่ยหลักการนี่เอาชนะคนชั่วหรือเอาชนะความชั่วเนี่ยด้วยความดีนะเพียงแต่ว่าพระเจ้าท่านไม่ได้ตัดต่อมาเท่านั้นเอง พ่อท่านมาเสริมว่าเอาชนะคนชั่วเอาชนะความชั่วด้วยความดีแต่พ่อท่านเติมว่าต้องมากพอถ้าไม่มากพอยังนะเพราะว่าสมมติอาารเคยยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราไปเจอใครเนี่ยเป็นคนเร็วๆ เ, เป็นคนชั่วๆสมมติเปรียบเป็นน้ำหนักก็แล้วกันนะคนเร็วคนเนี้ยมัน ชั่วซะเท่าไหรหกขีดชั่วซะหกขีดนะหกขีดนี่ก็ถือว่าช่างนึงใช่ไหมใช่ปะเนี่ยพวกแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหมช่างหนึ่งเนี่ยหกขีดใช่ไหมฮะถูกใช่ไหมโอ้พวกนี้แทบไม่มีใครเลยเหรอรู้ว่าช่างหนึ่งนี่คือหกขีดอแสดงว่าไม่ค่อยจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าสิอะ ใช่ใช่ไหมอ่า <c oughs> อาพัรู้ไว้นะ <c oughs> เวลาเขาพูดหึงเนี่ยเอ้าเอาให้ช่างหนึ่งทีเขาหมายถึงว่าคุณช่างตาช่างเนี่ยคุณต้องช่างไปหกขีดนั่นแหละเขาเรียกว่า น, า น, า น, านาั่นะน่ะช่างหนึ่งอ่าเสร็จตาปรากฏว่าคุณไปเจอคนชั่วเนี่ยสมมติว่าคนชั่วนี่นะเขามีความชั่วอยู่ช่างหนึ่ง <c oughs> นะั่นคือหกขีดเสร็จแล้วตอนนี้คุณไปเจอเขาเนี่ย อ้าคุณอยากจะทําดีกับเขาคุณอยากจะยิ้มให้เขาคุณอยากจะให้เขาเขาดีขึ้นน่ะเราหวังดีกับเขาอ่ะนะเราอยากจะให้เขาดีขึ้นเราก็เลยทําดีกับเขาเสร็จแล้วปรากฏว่าพอเจอหน้ากันอ้าเราก็ยิ้มให้เขาปรากฏว่าวันนี้ยิ้มให้เขาเนี่ยมันน้ําหนักแค่ขีดเดียวแล้ววันเนี้ยที่ยิ้มให้เขาเนี่ยน้ำหนักแค่ขีดเดียวอ่ะแต่ก <segundo> ็บอกแล้วไง โอ้โหน้ำหนักของเขาตั้งหกขีดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณยิ้มไปเนี่ย <ๆ S 1> เผลอๆ เ, เขาแยกเขี้ยวใส่คุณเขาไม่ได้ยิ้มกลับมาเขาแยกเขี้ยวใส่คุณเนี่ยเขาอาจจะเผลอๆยิ้มให้กูทำไมว ะ, ะใช่ไหมถ้าสมมุติบาคนมันเร็วๆชั่วๆนะบางทีคุณทําดีๆกับเขาเนี่ยมันปฏิเสธเลยนะมันไม่รับไม่เพียงแต่มันไม่รับ ม, มันว่าคุณกลับด้วยนะบางทีแต่บอกแล้ว แสดงว่าคุณยิ้มครั้งแรกเนี่ยสมมุติว่าหนึ่งขีดโอเบาไปเบาไปไม่พอยังไม่ยิ้มสยามนะ้รคุณยังยิ้มแบบอะไรอ่ะยิ้มมุมปากยังไม่พากพอยังทำให้น้มน้าวจิตใจเขายังไม่ได้คราวนี้คุณต้องไปหัดยิ้มใหม่คุณต้องไปหัดยิ้มไปอาจจะไปดูกระจกนะแล้วก็หัดยิ้มหัดยิ้มเออจะยิ้มขนาดไหนมันถึงจะหยาดเยิม มันถึงจะแบบว่าโอ้โหทําให้คนเลวยังไงนะพอเห็นรอยยิ้มเรานี่โอ้โหใจอ่อนเลยแต่ต้องจะ ต, ต้องไปพัฒนายิ้มของเราเนี่ยจะมาพูดให้มันสนุกสนุกนะแต่จริงๆเนะี่ยมันไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องยิ้มหรอกนะแต่พูดให้มันสนุกสนุกว่าจริงๆเนะี่ยบางครั้งเราไปช่วยเขาอะบางทีเนี่ไปถามานะเอออยากจะให้ช่วยอะไรไหมอยากจะให้ทํางานอะไรให้ไหม ไปถามมาเนี่ยบางคนเขาบอกบุญไม่รับเลยนะนะเขาบอกแป้งหน้าบอกแป้งหน้าก่อนไม่ต้องมายุ่งโอ้บางทีเจออย่างงี้เลยไม่ต้องมายุ่งบาถ้าเราไม่ทันใช่ไหมทันทีเลยคุณวาบเลยหัวใจคุณนี่วาบเลยเแล้วคุณไม่ใช่หน้าเหี่ยวคุณหน้าตึงขึ้นมาทันทีเลยแหละหน้าคุณเป็นแผ่นกระดานบ้างละคนเนี้ยทันทีเลยเพราะว่า บางคนเนี่ยไม่ทันตั้งหลักอะ่ะคือเราคิดมาแต่ว่าเราปรารถนาดีเราตั้งดีกับตั้งใจดีกับเขาแม้มันมั น, ม, นมันเตรียมมันเตรียมไ อ, ไอความหวังของคนเราอะ่ะบอกไลกิเลตคนเรามันชอบคิดว่าบอกดีๆกับเขาคุยดีๆกับเขาแล้วเขาต้องดีๆตอบกลับมามันตั้งความหวังนี่มาก่อนใช่ไหมพอปรากฏว่าพอมาเจออย่างนี้เข้าปังเลยทันทีนะคุณหน้าหงายเลยคุณรียกว่าบางทีนี่มันตีกลับเลยนะ ไอ้ที่รู้สึกดีๆมานี่โอ้โหพลิกเลยพอพลิกปับ๊บกลายเป็นความไม่ชอบใจกลายเป็นการโกรธกลายเป็นการถือสาเลยเผลอๆนนะบางคนเนี่ยครั้งเดียวก็เกินพอ <c ười> คือนึกในใจเลยนะไอคนนี้กูจะไม่ถามอีกเลยตลอดชีวิต <c ười> บางทีเนี่ยแค่เจอแค่ครั้งเดียวซึ่งเนี่ยถ้าไม่เข้าใจว่าเอา้า ทำไมไม่รู้ตัวล่ะ ว, ว่าแสดงว่าเรานี่ยังทำดีอ่อนไปยังทำดีน้อยไปเพราะนั้นคนนี้เขายังใจอ่อนมาไม่ลงถ้าคนนี้มีสติอยู่ระวังเนื้อระวังตัวอยู่รู้ว่าเออเรายังต้องเพียนต้องพยายามมากขึ้นไปกว่านี้อีกเพราะไอ้ที่เรายิ้มแค่ครั้งเดียวยังน้อยเกินไปเพราะนั้นถ้าคนนี้เข้าใจตรงนี้คนนี้จะกลับไปใหม่กลับไปบางทีไปคิดไปพิจารณาหรือไปฝึกซ้อมใหญ่เลยคนนี้ ซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมกับวันนะเพื่อที่จะให้ตัวเองนี่เข้มแข็งขึ้นหรือทาดีได้เก่งขึ้นหรืออย่างที่บอกอดทนได้เก่งขึ้นเห็นไหมมีความอดทนได้เก่งขึ้นมันจะต้องอดทนได้มากพอยิ้มให้ครั้งที่สองอีกอเจอหน้าอีกเห็นไหมคราวนี้เราไม่ยอมแพ้เจอหน้าคนนี้อีกยิ้มให้อีกเป็นครั้งที่สอง ต่อให้คนนี้เรายิ้มเป็นครั้งที่สองคนนี้เบื่ออีกนะคนนี้ตึงกับเราอีกเราก็เอเอแม่ยังยังยังไม่พออีกเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ไปเตรียมตัวใหม่อีกละนะไปหากําลังเพิ่มมาอีกเดี๋ยวพอเจออีกยิ้มให้ใหม่อีกเป็นครั้งที่สามมีเหมือนกันบางคนแม่ไม่ใช่คนอื่นนะอาตมาเนี่ยแหละสมัยก่อนเนี่ยอาตมาเคยพูดให้พวกเราฟังอาตมาตั้งไว้สามครั้งนะ สมมติอย่างเงี้ยถ้ายิ้มให้ใครสามครั้งแล้วมึงยังไม่ยิ้มให้กูอีกนะเขาเนี <g> ่เลิกก็เลยอันมาเคยตั้งไว้อย่างนี้สมัยสมัยแต่ก่อนโน้นานามาแล้วว่าจะทําดีหรือหรือจะยอมอดทนเนี่ยจะยอมอดทนแค่สามครั้งเคยคิดไว้อย่างนั้นจริงๆจนต่อหลังอ่ะพอมาปฏิบัติทำแล้วถึงเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นถึงถึงได้ล้มความคิดนี้บอกว่าเออมันไม่ถูกต้องหรอก จริงๆแล้ว เ, เราควรพยายามไปให้ตลอดใช่ไหมเพราะเราไปเจอกิเลสของคนเนี่ยมันไม่เท่ากัน